สี่สิบหาสิบปีก่อนรถเมย์กรุงเทพเนี่ยมันต่างจากรถเมย์สมัยนี้มากนะเพราะว่ารถเมย์สมัยก่อนเนี่ยดี๋ยวพอช่วงเท้าหรือเย็นเนี่ยช่วงรัชอาวนี่คน ผ, ผู้โดยสารนี่ก็เต็มหมดไม่ใช่แค่นั่งหรือยืนนะบางทีก็ห้อยโหนตรงบันไดรถห้อยโหนมาเพื่ว่าบางทีมีแค่เท้า เช้าเยือหน้าที่เหยียบบันไดส่วนมือเนี่ยก็ต้องไปเกาะขอบหน้าต่างเพราะว่าผู้โดยสารเยอะมากและรถก็น้อยอยีกอย่างหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยตรงบันไดเนี่ยหรือประตูเนี่ยมันไม่มีประตูเลื่อน เ, นเพราะนั้นเนี่ยคนก็ไปยืนห้อยโหยัตรงบันไดกันเนี่ยกันได้สะดวกเลย ทั้งที่บางครั้งเนี่ยรถก็ไม่ได้แน่นนะทั้งไหนรถก็ว่างแต่คนที่ห้อยโหนเป็นประจำนี่จะชอบนะเพราะว่ามันเหมือนก็ว่าได้เล่นได้กินลมแล้วก็อาจจะเป็นความสนุกเป็นความท้าทายด้วยไม่มีคราวนึงง่งอะมีรถเมเนี่ยนะรถก็ไม่แน่นเท่าไหร่นะ แต่มีผู้โดยสารคนหนึ่งเนะเป็นวัยรุ่นเนี่ยยืนห้อยโหนตรงบันไดพนักงานเก็บสตังค์หรือที่เรียกกระเป๋ารถเม์เนี่ยก็เรียกชายคนนั้นเนี่ยให้ขึ้นมาข้างในรถชายคนนั้นก็ไม่สนใจเป๋าก็เลยบอกว่าพี่ขึ้นมาเหรอยืนตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวโดนรถเฉียวนะ ชายนั้นก็เลยตะโกนตอบมาว่าเนี่ยเรื่องของกูกระเป๋าก็เลยบอกว่าไม่ใช่อะไรถ้าเกิดพี่โดนรถเฉียวมันจะเดือดร้อนพวกผมชากนั้นก็ตะโกนกลับมาว่าเนี่ยเรื่องของมึงก็เป็นนั้นว่าไม่ยอมอขึ้นมาที่รถชายนนั้นเนี่ยพูดสองประโยคนั่นนะเรื่องของกู กับเรื่องของมึงมันมีนัยยะว่าอะไรนะเรื่องของกูมึงอย่ายุ่งส่วนเรื่องของมึงนะกูไม่ส น, นเรื่องของมึงเนี่ยกูไม่สนเนี่ยก็หมายเขาว่าถ้ากูโดนรถเฉียวยังไงมึงเดือดร้อนก็เปเรื่องของมึงไปกูมไม่สนส่วนกูจะเดือดร้อนอยังไงก็เป็นเรื่องของกูมึงอย่ายุ่งให้ฟังความพูดของหนุ่มคนนั้นมันก็ ดูน่าขานะเพราะว่ามันก็เป็นการแค่ข้ออ้างนะเพื่อที่ตัวเองได้ห้อยโหนต่อไปแต่ถ้ามาพิจารณาดูดีๆมันก็มีแง่คิดนะโดยเพราะนะประโยค์สุดท้ายว่าเรื่องของมึงเนี่ยซึ่งหมายความว่าเรื่องของมึงกูไม่สนเนี่ยในบางครั้งเนี่ย ก็ควรจะเอามาเป็นหลักคิดของเราได้เหมือนกันนะือเพราะเวลาเราทำความดีเนี่ยการทำความดีบางครั้งเนี่ยเราทำแล้วเราก็ท้อก็เพราะว่ามีแต่เราที่ทำนะแต่คนอื่นเขาไม่สนเช่นกวาดใบไม้กวาด เ, เก็บขยะ หรือล้างจานเนี่ยพวกนี้ก็เป็นความดนะีที่เราทำเพื่อส่วนรวมบางทีเราก็ช่วยเก็บขยะแต่คนอื่นเขาไม่สนใจเลยหลายคนก็รู้สึกท้อนะแต่ถ้าเรานะลองนึกเสียบ้างว่าเนี่ยเขาจะทำยังไงเป็นเรื่องของเขาฉันไม่สน จังยังทําดีต่อไปเรื่อยๆเพราะวาความดีเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทําเมื่อแใดก็ตามที่เราไปสนนะสนพฤติกรรมของเขาเราก็อาจจะท้อนะว่าเนี่ยฉันทําคนเดียวไม่มีใครช่วยเลยอันนี้เป็นการบั่นทอนกําลังใจในการทําความดีซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทํา แล้วเพื่อไม่ให้เรารู้สึกบัณฑทอนนี้ก็คืออย่าไปสนเขาทําอะไรก็ไม่สนใจก็ไม่ลงมือมาช่วยก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่สนเราก็ทําของเราไปทําอย่างมีสติทําด้วยฉันทะแล้วเราก็จะพลอยนะมีความสุขมีความสุขที่เห็น ส่วนรวมเช่นวัดวาอารามศาลาหรือว่าสำนักงานเนี่ยมันสะอาดลนะ้างจากสะอาดใจล้วก็สะอาดไปด้วยหรือเวล า, เาปลูกต้นไม้เนี่ยบางคนก็ขยันปลูกต้นไม้นะอยากจะช่วยเหลือส่วนรวมนะเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดลอ้อมแต่วันนี้ก็ท้อนะท้อเพราะอะไรเพราะว่าไม่เห็นคนเดินมาช่วยเลยนี่แต่เราทำคนเดียว ในกรณีแบบนี้ก็ต้องนะต้องนึกเอาไว้นะว่าเออเขาไม่ทําไม่สนเขาไม่ทําเขาไม่มาช่วยกับเรื่องของเขานะส่วนเราก็จะทําไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราไม่วางใจแบบนี้เราจะท้อแต่ว่าแต่การทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเลยแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองเนี่ย เช่นการปฏิบัติธรรมการเจริญสติบางคนเจริญสตินะโอ้ปฏิบัติจริงจังมากเลยแต่พอเห็นเพื่อนเห็นคนอื่นก็ไม่สนเลยก็ไม่ตั้งใจปฏิบัติเลยบางทีก็เอาแต่คุยกันที่จริงเสียงพูดคุยเขาก็ไม่ได้มารบกวนการปฏิบัติของเรานะแต่แค่แค่รู้ว่าเขาไม่สนใจปฏิบัติธรรม ไอ้เราก็เดินจงกรมจากคนหนึ่งก็ไม่เดินไอ้เราก็ยกมือสร้างจังหวะจากคนหนึงก็ไม่ยกเกิดความขุนเคืองขุนมัวนี่สงววางใจไม่ถูกแล้วถ้าเราวางใจตัวคือว่าเขาม่มําก็เหลืองเขาเราไม่เอามาเป็นสิ่งบันทอนกำลังใจและลดลกความเพียรเพราะสิ่งที่เราทำมันดีอยู่แล้วเี่ มันดีอยู่แล้วใครทําคนนั่นก็ได้บ่อยครั้งนะเราทําสิ่งที่ดีงามสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญและมันก็เป็นเรื่องที่ควรทําอย่างยิ่งอย่างเช่นเรื่องการดูแลพ่อแม่ลูกบางคนนี่ก็ดูแลพ่อแม่เต็มที่เลยนะงถึงกับลา ง, งานมาดูแลพ่อแม่ ซึ่งป่วยอายุกว่า8 0สแล้วขณะที่พี่น้องคนอื่นไม่สนใจไม่มาช่วยพอเห็นเขาไม่มาช่วยไม่เห็นเขามาดูแลพ่อแม่ก็เกิดความท้อแท้บางทีก็ถึงคิดว่าเนี่ยเราทำไปทำไม เขาก็ไม่ใช่พ่อแม่ของเราคนเดียวนะบางทีคิดแบบนี้เลยคิดแบบนี้ไม่ถูกนะนี่เป็นเพราะว่าไปเอาเรื่องของเขานะมาเป็นปัญหาของเราเขาไม่ทํามันก็เป็นเรื่องของเขานะเราไม่เอามาเป็นเครื่องเป็นสิ่งบันทอนะความดีที่เราทํา การกรตัญญูต่อพ่อแม่นี่เป็นทั้งคุณธรรมและหน้าที่ะเมื่อเราดูแลพ่อแม่นี้ก็ถือว่าเราทำหน้าที่ของเราแล้วส่วนลูกคนอื่นเขาไม่มาดูแลพ่อแม่ก็แสงว่าเขาไม่ทำหน้าที่ก็เป็นเรื่องของเขาสุดท้ายเขาก็ต้องรับวิบากนะจากการละเลยพ่อแม่จากการที่ไม่มีความกตัญญูนั่นก็เป็นเรื่องของเขา อยเอาเรื่องของเขานะมาบัทฑรการทำความดีของเราอันนี้ก็รวมไปถึงเวลาเราช่วยใครเนี่ยหรือว่าเราทำดีแล้วไม่มีคนเห็นเราทำดีต่อส่วนรวมเสียสาวต่อส่วนรวมทำงานด้วยความซื่อสัตย์แต่ไม่มีคนเห็นเลยมีหลายคนมักจะพูดเนี่ยทำไมฉันทำดีแล้วไม่มีคนเห็นเลย ต่อไปฉันไม่ทําแล้วอันนี้ก็แสดงว่าไปเอาเรื่องของเอาเรื่องหรือเอาพฤติกรรมของคนอื่นนี่มามารบกวนนะจิตใจของเราเขาไม่เห็นก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราก็ยังทําต่อไปเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าไปแล้วเขาไม่เห็นก็ยังถือว่าดีนะ เพราะบางคนเนี่ยพอเห็นแล้วก็นินทานินทาว่าเราเอาหน้าอยากเด่นอยากดังเจอแบบนี้ก็เหมือนกันนะเออเขาพูดอะไรไปกไ็เป็นเรื่องของเขาเออส่วนฉันไม่สนฉันก็ทำของฉันไปจนนึกหรือจะมองในแง่ดีก็ได้เออดีกว่าเขาใส่ร้ายเพราะบางคนทำความดี ไม่มีข้อตําหนิเลยก็ยังมีคนใส่ร้ายใส่ร้ายไม่พอมุ่งร้ายด้วยอย่างพระรูปเจ้านี่ไม่ใช่แค่โดนนินทาจากผู้คนเท่านั้นนะบางทีโดนใส่ร้ายแล้วก็มุ่งร้ายหมายเอาชีวิตเลยแต่พระพุทธองค์ก็ม่มีความท้อถอยนะแล้วก็ไม่ได้รังเกียจหรือเกียดชังคนเหล่านั้นไม่ได้โกรธเลย เร า, า จ, จะทำไม่ได้ขนาดนั้นแตงน้อยเนี่ยก็เพียงแค่เราไม่สนใจการกระทําของเขาอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่เป็นประโยชน์กับเราเองด้วยก็คือไม่เอาเพฤติกรรมของเขามาเป็นสิ่งบันทอนหรือบั่นรอนกำลังใจของเราเขาจะพูดอะไร เขาจะทำอะไรในทางที่ไม่ถูกต้องเขาก็รับกรรมเ อ, ง, องถ้าเราเนี่ยพลอยไปหวั่นไหวกับคมพูดหรือการกระทาของเขานั่นแสดงว่าเราวางใจผิดนะนึกถึงคาพูดของชายคนนั้นเอาไว้ก็ดีนะเรื่องของมึงรนะกูไม่สนการพูดแบบนี้มันก็มีประโยชน์นะถ้าเรามาใช้ให้เป็นมาใช้ให้ถูกโดยเพราะเวลาเราทำความดี เขจะมีพฤติกรรมอะไรไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่เอามาพะวงต้องทําความดีเรื่อยไปอันนี้รวมไปถึงการทําความดีกับใครบางคนแล้วก็ไม่เห็นความดีของเราเนอันนี้ก็เหมือนกันนะหลายคนมีความทุกข์มากเลยไม่ทุกอย่างเดียวนะโกรธแค้นเลยนะบางคนฝังใจโกรธแค้น ใครบางคนเหตุผลก็คือว่าช่วยเขาแล้วแต่เขานอกจากไม่เห็นความดีของเราไม่สมนึกในบุญคุณของเราแล้วยังเนรคุณอีกงั้นถ้าระวางใจเป็นนะเออเขาทําไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราก็ยังขอทําดีไปเรื่อยๆไม่มีความทอดถอยว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีนะถึงแม้ว่า คนนี้เขาไม่เห็นความดีของเราไม่สานึกในบุญคุณของเรานะมันก็เป็นเรื่องของเขาเมื่อเขาได้รับความช่วยเหลือจากใครมันเป็นหน้าที่หรือคุณธรรมของเขาที่จะสำนึกในบุญคุณแล้วก็ตอบแทนแต่ถ้าเขาไม่ทำก็ถือว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่นะถือว่าเขาจะต้องรับวิบากนะในภายภาคหน้าส่วนเราก็ยังทาดี ต่อไปทำดีกับคนนั่นทำดีกับคนนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ไม่มัวพววงว่าเเราทําแล้วนี่เขาจะปฏิบัติกับเราอย่างไรเขาจะสำนึกในบุญคุณของเราไหมนั่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือทําหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆและนาเฉียงคนเราอย่างนี้คือการทําความดีการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนส่วนคนที่เราช่วยนะี่เขาจะ สำนึกในบุญคุณของเราหรือไม่ก็เป็นเรื่องเขาถ้าเขามีสํานึกเขาก็ได้ดีเองถ้าเขาไม่มีสํานึกเขาก็ทุกเองเราไม่ควรจะเอาความไม่ดีของเขามาเป็นปัญหาของเราจนทำให้เราทุกจนทำให้เราละเลยการทำหน้าที่การทำความดีนี้จะลงมาถึงเวลาเราทาผิดทาพลาดแล้วเรารู้สึกสํานึกนะแล้วเราก็ขอโทษ ในการขอโทษนี่ก็เป็นทั้งหน้าที่ละคุณธรรมนะเมื่อเราทำผิดทำพลาดเราก็ขอโทษส่วนคนที่เราขอโทษนี้ถ้าเขาไม่อภัยก็เป็นเรื่องของเขาเราทำดีที่สุดแล้วคือขอโทษด้วยความจริงใจอย่าไปทุกข์นะที่เขายังไม่ให้อภัยเราถ้าเขาไม่อภัยเราแสดงว่าเขายังไม่ได้ทำหน้าที่ของเขา นาที่ของเขาคือเมื่อมีคนมาขอโทษควรจะให้อภัยมันไมได่ดีกับคนอื่นเดียวมันดีกับเขาด้วยนะเพราะถ้าเขาให้อภัยเขาหายโกรธหายแค้นจิตใจที่ถูกเผาล้นด้วยความโกรธก็จะรับการเยียวยาเพราะการให้อภัยมันก็คือการเยียวยาจิตใจคนเราเนี่ยเวลามีบาดแผลเนี่ยเราอยากรู้จกักนะเยียวยาบาดแผลนั่นเลย แต่ไม่ใช่แค่บาดแผลทางกายบาแบบแผลทางใจก็เหมือนกันเมื่อมันมีบาดแผลทางใจก็ควรจะเยียวยาและบแบบแผลทางใจเยียวยาได้ด้วยอะไรถ้าเป็นบาดแผลที่เกิดจากความโกรธนะมันก็เยียวยาด้วยการให้อภัยและใครที่ได้ประโยชน์ก็คือคนคนนั้นเองถ้ามองเข้ามาใกล้ตัวเนี่ยนะหลายคนเนี่ยก็รู้นะว่าการ มีการกระตันอยู่กะตะเวทีต่อบุปการีพ่อแม่นี่เป็นของดีแต่บางทีก็เอาสุตกิจตะขวงใจหรือว่าทำใจไม่ได้นะพ่อหลาพ่อพ่ อ, พอแม่ทำตัวไม่น่ารักอาจจะติดเหล้าติดการพั น, นันหรือเจ้าชู้ไม่ทำตัวให้น่าเคารพเลย ก็เลยคิดว่าเนี่ยฉันก็ไม่ควรจะกะตัญญูต่อพ่อแม่เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่หลายคนก็คิดแบบนี้แหละว่าจะกะตัญญูพ่อแม่ไปทำไมพ่อแม่ไม่ได้ทำตัวให้ให้ดีแต่ถ้าเรามองว่าความกตัญญูเป็นหน้าที่ของเราส่วนการทำตัวให้ดีหน้าเคารพก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่การที่พ่อแม่ไม่ทำหน้าที่มันก็ไม่ได้วามว่า จะเป็นเหตุผลให้เราเพลอยไม่ทำหน้าที่ที่เราควรทำด้วยพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่ก็เป็นเรื่องของเขาไปส่วนเราก็ยังคงทำหน้าที่ของเราเพราะอย่างน้อยพ่อแม่ก็มีพระคุณมีบุญคุณต่อเราเราก็ตอบแทนบุญคุณด้วยการแสดงความกตัญญูไม่ใช่ว่าพอพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่ที่ควรทำก็เลยเป็นเหตุผลให้เรา ละทิ้งหน้าที่ที่ควรทำซึ่งถ้าเกิดคือเราทำอย่างนั้นเนี่ยเราก็รับกรรมเองอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องแบ่งแยกชัดเจนความดีเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ส่วนความกตัญญูก็เป็นหน้าที่ของเราพ่อแม่ไม่ทำความดีหรือบอกพร่องในหน้าที่บางอย่างก็เป็นเรื่องของท่านแต่เราก็ยังทำความดีที่พึงมีต่อ พ่อแม่ต่อไปเรื่องนี้เนี่ยนะมันมีแง่คิดที่ดีนะสมัยที่หลวงพ่อสุมเมโท ย, ยังเป็นคาราวาน่เนี่ยท่านเป็นฝรั่งอเมริกันมาเมืองไทยเมื่อสักเกือบิปีที่แล้วเกิดสนใจพุทธศาสนาแล้วก็เลยบวชเป็นสามเณร เป็นสา ม, มเณรก็แสวงหาครูบาอาจารย์เดยพ่อทางด้านกรรมฐานแต่ก็ยังไม่พบที่ถูกใจจนกทั่งวันหนึ่งเนี่ยไปเมืองลาวเพื่อไปต่อวีซาก็ไปเจอพระรูมหนึ่งเป็นพระอีสานชื่อพระสมหมายสา ม, มเณรสมเมทโทเห็นพระสมมายนี่มีมกิริยาการสำรวมก็เกิดเคารพ มาสนทนากันก็ได้รับคำแนะนําจากอาจารย์สมหมายจากพระสมหมายว่าเนี่ยมีพระดีอยู่รูปหนึ่งนะอยู่ที่อุบลชื่อหลวงพ่อชาอยู่วัดหนองปลาพงฟังจากพระสมหมายแล้วเนี่ยสามัญสุมเมโตก็เกิดความเลื่อมใสในหลวง พ, พ่อชาก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยเมื่อบวชแล้วหวดเป็นพระก็จะไปอยู่ ที่วัดหนองปอบพงศ์และพอท่านกลับไปเมืองไทยท่านก็ บ, บวชจริงๆนะบวชเป็นพระแล้วก็ไปหนองปอบพงศ์เลยโดยมีพระสมหมายเป็นผู้พาไปพบหลวงพ่อชาตั้งแต่นั้นมาอาจารย์สุเมโทโตก็อยู่ที่วัดหนองปอบพงศ์นี่แหละแต่ว่าอยู่ที่นั่นเนี่ยก็พอนานเขาก็เริ่มมีปัญหากับ พระสมหมายเพราะท่านเป็นคนที่เคร่งวินัยมากติดยึดติดถือมั่นในพระวินยัยชอบจำจี้จำชัยทั้งพระทั้งเนรแล้วก็ชอบจับผิดอาจารย์ซูเมโทโก็โดนด้วยก็เลยเกิดความ เ, าเกิดความ เกิดช่องว่างระยะห่างกับพระสมหมายแต่ปัญหาก็ขึ้นได้ไม่นานนะเพราะต่อมาพระสมหมายก็ศึกหาราเพปศึกไปแล้วเนี่ยอบว่าอยู่ไปไม่นานก็กลายเป็นคนเริ่มติดเหล้าจากคนที่เคร่งวินัยกลายเป็นคนที่เริ่มกินเหล้าและตอนหลังก็ติดเหล้าหนักเลยไม่เหลือคราบของพระกรรมฐานเลย อาจารย์สุมเมโทโธพอทราบข่าวก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็รังเกียจทิศสมหมายไม่เคยอยากให้ใครรู้นะว่าทิศสมหมายเป็นคนที่พาท่านมาพบหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาพอทราบก็เรียกอาจารย์สุมเมธโธมาแล้วก็เตือนว่าเนี่ยพระสมหมายเนี่ยทิศสมหมายนี่มีบุญคุณกับสุมเมโทโธนะให้มีความกตัญญูต่อทิศสมหมาย ล้วก็แนะนำว่าเนี่ยทีหลังให้เรียกสมหมายนะว่าอาจารย์สมหมายทุกครั้งนะเพราะอาจารย์สมหมายเนี่ยมีมีความมีบุญคุณต่อสุมเมโธเพราะถ้าหากว่าสมหมายไม่พาสุเมโธเพราะเพราะสมหมายเนี่ยเป็นคนพาสุเมทโธเนี่ยมาพบหลวงพ่อถ้าไม่มีสมหมายเนี่ยนะ สุเมโตก็ไม่ได้มาหนองปราพพงศ์พอได้ฟังคําเตือนเช่นชนี้เนี่ยอาจารย์สุมเมโตก็เปลี่ยนทัศนคติเลยนะท่นมาสํานึกเตืนบุญคุณของอาจารย์สมหมายเรียกอาจารย์สมหมายทุกครั้งเลยเวลาไปสร้างวัดที่อังกฤษกลับมาก็จะมาหาอาจารย์สมหมายทุกครั้ง แล้วก็นำของมาฝากส่วนที่สมหมายเนี่ยพอสึกไปเนี่ยติดเล่าหนักขึ้นเรื่อยๆจะเป็นโรคสุราเรื้อรังแล้วก็ฟั่นเฟือนกลายเป็นคนเสียสติไปหมดสภาพเลยต้องกลายเป็นคนเละล่อนแต่ว่ายังดีนะที่มีเพื่อนพระที่เป็นเจ้าว่านเนี่ย ยังมีเมตตาต่อทิศสมายก็ให้มาอยู่วัดกินข้าวกลบบาทแต่ทิศสมายก็อาการก็หนักไปเรื่อยนะวันนึงก็โดนรถเมย์ชนตายขณะที่ไปเอาไปหาของไปค้นหาของตามขย ะ, ะอาจารย์สุมเมโทโธเนี่ยก็ ได้ลึกถึงบุญคุณของอาจารย์สมหมายอยู่เสมอนะถ้าเราว่าเนี่ยอาจารย์สมหมายเนี่ยเป็นคนพาเรามาพบหลวงพ่อชาจึงมีพระสุมเมทโทในวันนีนะ้อาจารย์สมหมายจึงมีบุญคุณกับเรามากมีบุญคุณต่อศาสนาด้วยถึงแม้่าอาจารย์ถึงว่าอาจารย์สมหมายะจะ ติดเล่านะแล้วก็จนจกันงั่นเฟือนอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องของท่านส่วนพระสุมเมทรก็มีหน้าที่นะที่จะกะตัญญูกตเวทีต่อท่านอา่ารสุมเมทวท่านพูดดีเลยนะไอ้ที่ท่านศึกหาลาเภทที่อาจารย์สมหมายศึกหาลาเภทไป ติดเล่าเมาสุลาจนสติฟั่นเฟือนี่เป็นเรื่องของท่านส่วนเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านมีความกตัญญู่ี่ท่านขีดเส้นชัดนะเรื่องเรื่องของจารย์สุมายก็เป็นเรื่องของท่านไปเราไม่เอามา บัทอนหรือเป็นเหตุผลในการที่จะละเลยหน้าที่ของเราแล้คนราอนนี่ต้องรู้จักแยกแยะนะใครทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาอย่าเอามาเป็นปัญหาของเราเยอะหรื อ, อยอามาเป็นเครื่องกีดขวางการทำความดีของเราไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นใครก็ไม่รู้นะ ไม่ว่าเขาจะทำดีหรือไม่มันเป็นเรื่องของเขาส่วนหน้าที่ของเราคือทำความดีเท่าที่เราจะทำได้เพราะอะไรเพราะความดีเป็นสิ่งที่ดีในตัวแล้วใครทำคนนั้นก็ได้เราไม่ควรจะทำดีเพียงเพราะว่าจะมีคนชื่นชมสรรเสรอิอหรือเพียงเพราะว่าทำแล้วเขาจะเห็นความดีของเราหรือทำแล้วเขาจะ สำนึกในบุญของเราถ้าเราทําดีโยมีเงื่อนไขเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการทําดีด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าเราทําดีโดยที่ไม่สนนะว่าคนหนึ่งเขาจะว่าอย่างไรหรือไม่สนมา ก, กทักว่าคนที่เราทำเนี่ยเขาจะเขาจะมีกิริยาหรือพฤติกรรมอย่างไรจราบได้สิ่งที่เราทำเนี่ยมาเป็นความดีและทําด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ทําทไปเถอะ และอย่าให้พฤติกรรมของเขามาเป็นเครื่องกีดขวางการทำดีของเราผู้อาคือว่าเขาทำอะไรไปเรื่อ ง, ของเขาส่วนเราไม่สนเรายังทำดีต่อไปเรื่อย